คุยธรรมะก็คุยกันมาเยอะจนหมดเรื่องที่จะคุยแต่ก็มีคนอยากจะให้คุ ย, ค, ยคุยธรรมะนี่มันมันก็คือเรื่องเดิมๆนั่นแหละที่เราจะต้องทำปองเข้าใจเป็นเรื่องอื่นไม่ได้ก็เรื่องใจกับใจคือชีวิตของคน อยู่ที่การปฏิบัติของพวกเราว่าเราจะปฏิบัติต่อตัวเราอย่างไรโดยใช้หลักคำสอนโยงเข้าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเห็นให้ตรงกับหลักของความจรงิงมองชีวิตตัวเราตามหลักคำสอนการมองให้ออกมองให้ถูกนั่นคือหลักของส ม, มา ธ, ธิมองให้เห็น พิธีคือความเห็นส ม, มาคือให้มันถูกส ม, มาแปลว่าความถูกต้องถ้ามองถูกมองเห็นมันจะแก้ทุกข์ได้ถ้ามองไม่ถูกเห็นไม่ถูกแก้ทุกไม่ได้มองเห็นอะไรมองเห็นปัญหาที่แท้จริงปัญหาของชีวิตคืออะไรมองเห็นเหตุของปัญหาที่แท้จริงว่าเหตุที่แท้จริงคืออะไร เหตุมาจากไหนเหตุของปัญหามาจางไหนมองเห็นความดับไปของปัญหาว่าความดับไปของปัญหามันดับไปได้อย่างไรมองการปฏิบัติเพื่อให้เข้าไปการการเข้าไปดับปัญหานั้นเราจะปฏิบัติยังไงเพื่อดับปัญหาปัญหาของมนุษย์มีอะไรบ้างปัญหาของคนเนี่ยมีอะไรบ้าง อปัญหามนุษย์นี่มีปัญหามากมายเลยใช่ไหมเป็นเทวดามีปัญหาไหมมีเป็นพรหมมีปัญหาไหมมีน้อยหน่อยเป็นสัตว์ในละชานมีปัญหาไหมการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์เทวดาพรหมหรือสัตว์หรือปบภูมิอื่นอีกมีชีวิตอยู่เพียงเพียงแค่แก้ปัญหาของตัวเองไปในแต่ละวัน ให้มันผ่านพ้นจนสุดท้ายแห่งชีวิตตายคือสุดท้ายแล้วคือต้องตายเกิดอีมีปัญหาไห ม, ม, มก็แก้ปัญหาในภพภูมิที่ตัวเองเป็นแก้อย่างไงหลังจากตายแล้วสมมติเกิดไปเป็นผีต้องรอคอยผลส่วนบุญของคนอื่นจะแก้ปัญหาชีวิตตัวเองยังไงฮะเข้าเข้าส่งสัญญาณให้ญาติพี่น้องได้รู้บูต้องการบุญอย่างเงี้ยนะ แก้ปัญหาหรือยังไงเอาอย่างนี้ดีกว่าขณะที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเราแก้ปัญหาชีวิตยังไงทำให้ดีที่สุดการแก้ปัญหาในความหมายของพพุทธเจ้าคือแก้ปัญหาให้หมดปัญหาไม่ใช่แก้ปัญหาให้เป็นปัญหาบางทีก็แก้ปัญหาที่เป็นอยู่ปัญหาเก่าหายไปปัญหาใหม่เกิดขึ้น อย่างนั้นคือมนุษย์หรือพพคุมิอื่นก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่ในความหมายของพระพุทธเจ้าที่โงทรงสอนธรรมะวางแบบศาสนาไว้เพื่อให้พวกเราแก้ปัญหาโดยทำปัญหานั้นให้หมดสิน้นโดยไม่ให้มีปัญหาอีกในภายหลังพระเจ้าจึงบอกให้รู้ปัญหาที่แท้จริงปัจปัญหาที่แท้จริงคืออะไรเหตุให้เกิดที่แท้จริงคืออะไร พรามหมายถึงว่าหากเรามองเหตุให้เห็นอย่างถูกต้องปัญหาที่ถูกแก้จะเป็นแก้อย่างถาวรแต่ถ้าเราแก้ไม่ตรงกับเหตุแก้ไม่ถูกต้องเพราะมองไม่เห็นเหตุปัญหาก็ไม่สามารถที่จะแก้ได้หมดสิน้นเป็นเพียงแค่แคการระ ง, งับปัญหาบางอย่างทุเลาปัญหาบางอย่างแค่นั้นเองส่วนการที่จะแก้ให้หมดสิน้นต้องใช้ธรรมะแต่การที่จะเอาธรรมะไปใช้ หรือธรรมะเบื้องต้นที่พงศสอนให้ใช้ก็คือมองให้เห็นปัญหาที่ถูกต้องว่าปัญหาที่ถูกต้องคืออะไรปัญหาที่ถูกต้องของมนุษย์คืออะไรฮะปัญหาของมนุษย์นะออออปัญหาหมายถึ ง, อ ง, องสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนั่นคือปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วทำให้เราเป็นทุกข์คือปัญหาใช่ไหมอะไรที่เกิดขึ้นแล้วชีวิตเราตัวเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนั่นคือปัญหาแล้วใช่ไหมปัญหามันอยู่ที่ฝนตกฟ้าร้องแดดออกปัญหาอยู่ที่ว่าเศรษฐกิจ ต, ตกต่ำปัญหาอยู่ที่ว่าเข้าอยากมาแพงหรือเปล่าฮะอันนั้นแค่ปัจจัย่อให้เกิดปัญหาเพิ่ม แต่ตัวปัญหาคื อ, อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคือตัวเราสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแก้ไขได้ไหมไม่ได้ทำยังไงแก้ไม่ได้ทำไงยอมรับใช่ไหมอันที่แก้ไม่ได้ไม้ยอมรับแต่อันที่แก้ได้คืออะไรคือเหตุให้เกิดปัญหาใช่ไหมเหตุทีแก้ได้เมื่อเหตุแก้ได้ ก็แก้ที่เหตุอย่าไปแก้ที่ปัญหาหมายถึงว่าปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วให้ยอมรับให้แก้ที่เหตุเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ารู้ปัญหาที่ถูกต้องคือรู้ตัวเราเองคือตัวปัญหาถ้าไม่มีตัวเราเกิดขึ้นมาเลยในโลกนี้จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าสมมติว่าเกิดภาวะสงครามขึ้นทั่วทั้งโลก ถ้าเราไม่มีเราอยู่ในโลกนี้มีปัญหาอะไรไหมไ ม, ม, <c oughs> มันจะมีอะไรง่าก็ไม่มีเราม ไ, มไม่มีอะไร อ, อะไรจะเป็นก็เป็นไปทิตัวเราไม่มีสาามัอย่างใช่ไหมละ่ะแต่พอมีตัวเราขึ้นมาปัญหาเลยเกิดต้องมีต้องได้รับการกระทบจะกระทบมาในรูปแบบใดก็ตามต้องยอมรับการกระทบนั้นถูกต้องไหมแต่เมื่อยอมรับการกระทบแล้วเราจะสร้างปัญหาเพิ่มหรือเปล่าคือจะสร้างเหตุของปัญหาเพิ่มไหม พุทธศาสนาเลยให้เรามีสติหรือว่ารู้จักใช้ธรรมะในตอนนี้เพื่อระ ง, งับเหตุเหตุของปัญหาอยู่ที่ไหนปัญหาก็อยู่ที่ตัวเราเหตุให้เกิดปัญหาก็อยู่ที่ตัวเราถ้าเราไปโทษอย่างอื่นภายนอกถือว่าเป็นการโทษเหตุที่ผิดใช่ไหมแล้วเราเคยโทษไหมเคยเคยโทษกันอยู่ แล้วเวลาแก้แก้ที่ไห น, นนะต้องโทษอย่างอื่นไหมไม่โทษไม่โทษแต่เวลามีปัญหาขึ้นมาโทษกันอ่ะเป็นพ่องั <c oughs> อง้ไแหละเป็นพ่อนั่นี่เป็นพ่อนีนั่นแหละว่วากันไปเศรษฐกิจตกต่มเป็นเพราะอะไ ร, ไรนายโยนี่คือเสียงจากประชาชน <c oughs> <c oughs> จะถูกละงับหรือเปล่าว็เนี่ยเสียงจากประชาชนก็ต้องยอมรับข้อนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเหตุมันกำลังเป็นไปตามรถแมพยูจนสบยอะรถแมยูเอาก็อ่านข่าวอยู่แก้ที่ใครเหตุมันอยู่ที่ใคร เหตุอย oh, wow. like so ูที่เรามันเกี่ยวอะไรกับนายโกโอ้ยไปโทษคนอื่นนี่แหะแก้ผิดเหตุทางเราบอกว่าเหตุมันอยู่ที่คนอื่นแสดงว่าเราเอาชีวิตทั้งชีวิตไปขึ้นทรงต่อเหตุอื่นเราไม่สามารถแก้ไขได้เลยก็เท่ากับว่าเราไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองเราต้องคอยให้คนอื่นจัดการ ในสิ่งที่ถูกใจเราเท่านั้นแล้วเราจะสามารถทำให้คนอื่นจัดการในสิ่งที่ถูกใจเราได้เสมอไปได้ไหมล่ะไม่ไ ด, ไไ ด, ไได้เจออันที่ดีถูกใจก็บ่าดีเจออันที่ไม่ดีไม่ถูกใจก็ว่าไม่ดีอยู่นั่นแหละแล้วเราจะหาความสุขในชีวิตได้อย่างไรนั่นคือการสร้างปัญหาเพิ่มไม่เคยทำให้ปัญหาหมดสิ้นไปเพราะนั้นปัญหาอยู่ที่เราเหตุที่เกิดปัญหาก็อยู่ที่เรา ดับปัญหาตอนดับที่ไหนเออดับท <Uh> well ok right totally ี่เราอะไรให้นายกเดี๋ยวก็ทุงเด็กหัวเดียมเป็นสำนวนสำนวนที้ก็รอดเรียนกัน เอางี้มาเข้าเรื่องของเราดีกว่ามันจะไปโคดคนอื่นไม่ได้หากรู้ปัญหาถูกเหตุถูกการดับไปของของเหตุแล้วมันก็คือทางปฏิบัติให้ถึงการดับปัญหามันก็แค่นี้มันก็จบสิ้นอยู่แค่นี้การปฏิบัติกิจทงางศาสนามันจบอยู่แค่นี้หละแต่เราปฏิบัติกันทำไมไม่จบไม่สิ้นที พ่ออะไรดยไอยม่ย <c oughs> สุดสุดท้ายแล้วนะชีวิตของเรามันจะต้องขึ้นตรงต่อตัวข้างเราเท่านั้นถึงจะถูกต้องตามหลักธรรม พอหาชีวิตของเราขึ้นตรงต่อเหตุปัจจัยอยื่นๆเราก็อยู่อย่างลําบากหรือว่าอยู่อย่างมีเงื่อนไขได้หลายอย่างในชีวิตหากเรารู้จักความจริงที่มีอยู่ในตัวเราทุกอย่างเกิดตั้งอยู่ระดับรู้และทาความเข้าใจปัญหาเหตุที่เกิดปัญหาความดับไปของปัญหาภายในตัวเราได้แล้วเราก็จะรู้ทันทีว่าเราจะดับปัญหาอย่างไรและทางปฏิบัติที่ถึงการดับปัญหานั้นต้องดับอย่างไรแต่สําคัญ ต้องแยกแยะให้ออกอย่างชัดเจนว่าปัญหาอยู่ที่ไหนเหตุ <ä. S 1> <Western> ให้เกิดปัญหาอยู่ที่ไหนความดับไปของปัญหาอยู่ที่ไหนตรงเนี้ต้องแยกแยะออกให้ชัดเจนหากแยกแยะออกไม่ชัดเจนแล้วเราจะไม่สามารถปฏิบัติ ต, ต, okay? ต่อปัญหาในชีวิตของเราได้เลยและชีวิตเราก็จะไม่สามารถหมดปัญหาในความเป็นอยู่ได้พระพุทธเจ้า ทรงวางหลักการไว้ให้พวกเราหมดแล้วทุกประการไม่มีเงื่อนงำไม่มีอะไรปิดบงังซ่อนเล่นในหลักคำเมื่อองค์ทรงวางหลักการปฏิบัติไว้ทั้งหมดแล้วหน้าที่ของเราคือหน้าที่ในการเรียนรู้คำสอนให้เข้าใจสำคัญคือต้องเข้าใจต้องไปเรื่องของความเข้าใจหากเราไม่เข้าใจในหักในหลักคำสอนแน่นอนว่าเราก็ใช้หลักคำสอนไปในด้านที่ไม่เข้าใจ เมื่อเราใช้คําสอนไปในด้านที่ไม่มีความเข้าใจมันก็จะเป็นการเกิดความงงงายขึ้นและความงงงาย น, นี้แหละมันทําให้ชีวิตเราอ่อนแอชีวิตที่อ่อนแอจะไม่มีความภาคเพียรในการปฏิบัติเพื่อให้ตัวเองพ้นไปจากความทุกข์ด้วยกําลังใจของตนมักจะอิงอาศัยอยู่กับสิ่งอื่นเหตุปัจจัยอื่นพลังอํานาจอย่าอื่นหรืออะไรบางอย่างที่คิดว่าจะบรรดาให้ชีวิตเราไปถึงความสําเร็จได้ นั่นคือความอ่อนแอแต่บุคคลผู้รู้และเข้าใจเรื่องราวของชีวิตที่ถูกต้องนําคําสอนของกุศลมาแยกแยะชีวิตให้ออกว่าอะไรคือปัญหาอะไรคือเหตุที่เกิดปัญหาและเราจะดับปัญหาได้ที่ไหนและปัญหานั้นจะดับไปได้อย่างไร <c oughs> คนคนนั้นจะรู้วิธีในการใช้ชีวิตและรู้วิธีการปฏิบัติต่อชีวิตของตัวเอง จะไม่ให้ชีวิตยิงอยู่กับสิ่งอย่างอื่นภายนอกตนและชีวิตของตัวเราก็จะเป็นชีวิตที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้เป็นชีวิตที่แข็งแกร่งไม่อ่อนแอพึ่งพาตัวเองได้ในบทธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนก็สอนเพื่อให้มนุษย์พึ่งพาตัวเองนี่แหละไม่ได้พึ่งพายัางอื่นนี่คือความสูงสุดของขบวนสนาที่สูงส่งกว่า กว่ายังอื่นในเรื่องของศาสนานะเป็นเป็นคําสอนที่สูงส่งมากเพราะสอนให้พวกเราพึ่งพาตัวเองทําไมต้องสอนให้พวกเราพึ่งพาตัวเองเพราะโดยลาพังตัวเราพึ่งพาตัวเราไม่ได้คนทั่วไปที่อยู่ในโลกที่มีชีวิตอยู่ส่วนมากพึ่งพาตัวเองไม่ได้มีแต่ผู้ที่ฝึกตนเองปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้นที่ท่านพึ่งพาตัวเองได้มนุษย์ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยลาพังจึงมีการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นคณะเป็นหมู่การพึ่งพาอาศัยกันก็เกิดมีขึ้นและเมื่อมีการพึ่งพาอาศัยกันอยู่เป็นจนเป็นความคุ้นชิน ก็เลยไม่รู้สึกว่าตัวเรานั้นอ่อนแออย่างไรแต่เมื่อหลีนี้ไปอยู่ผู้เดียวจึงรู้ว่าตัวเราอ่อนแอมากเพราะโดยลำพังมนุษย์หากอยู่คนเดียวแล้วจะถูกความกลัวครอบงาเมื่อมีความกลัวย่อมแสวงหาการพึ่งสิ่งที่พึ่งได้อันดับแรกคือเพื่อนเพื่อนหรืออะไรก็ตามที่เป็นเครื่องอุ่นใจทาให้มีการพึ่ง แม่อตมาสมัยปฏิบัติใหม่ๆอยู่คนเดียวนในปา่าก็เกิดความกลัวขึ้นมารู้ไหมอตมาเอาอะไรเป็นที่พึ่งเอาหมาเป็นที่พึ่งหมามันอยู่เป็นเพื่อนพอได้อุ่นใจเพื่อนไม่มีพระด้วยกันไม่มีอยู่ในป่าคนเดียวกลัวก็กลัวตอนนั้นใหม่ๆเอาหมาเป็นที่พึ่งเข้าใจไหมคือมีหมาอยู่ด้วยยังอุ่นใจอ่ะเพราะอะไร หมานี่มันไม่กลัวผีเลยมันเห็นผีมันเห่าผีแล้วไล่กัดผีด้วยนะถ้าผีมันมีตัวจริงอะผีโดนไล่กัดไปได้นนะมันยังปกป้องเราอยู่นะโอ้อุ่นใจว่ามีหมาอยู่ด้วยก็คิดว่าเออสัตว์อื่นมาอยู่ในป่าสมัยอยู่ในป่าสัตว์อื่นมามันต้องไล่กัดไล่เหา่าอย่างน้อยมันก็เตือนสติให้เราได้รู้ตัวคนได้หมาเปที่พึ่งหารู้ไหมว่านั่นแหละคือความอ่อนแอของใจการที่ยังคิดว่าหมาเนี่ยยังเป็นเพื่อนเราได้อยู่ ยังทําให้เราอุ่นใจได้อยู่ น, ะนั่นคือความอ่อนแอตอนนั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็อดีตนนมีหมาอยู่ด้วยแต่พอพี่นาไปจึงได้เข้าใจว่ามึงจะพึ่งหมาอย่างนี้ไปตลอดเลยเหรอไม่พึ่งตัวเองเลยเหรอหมาก็เป็นหมาชาวบ้านมันมันตามไปกินข้าวก้นบาทก็ตามไปเรื่อยๆ อ, อยู่ด้วยก็เลยพุ้นกันอย่างเงี้ยหมามยังไม่กลัวผีแล้วมึงยังมากลัวผีอะไร แยกว่าหมาว่ะงอ่ะ ว, ว่าตัวเองก็เลยตั้งจิตเลยด้แน่ทุกอย่างจิตเมื่อเราจิตมีความเข้มแข็งจิตเรามีความเข้มแข็งมันก็พึ่งพาตัวเองได้เหงื่อนนั้นความกลัวแทสเข้ามาเมื่อไหร่หนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทําจิตให้เข้มแข็งหมามันยังไม่กลัวจะมากลัวอะไรเตือนเอาหมาเป็นครูเลยทีนี้เอาหมาเป็นอาจารย์เอา ม, ามาสอนจิตตัวเอง มันยัไม่กลัวยังไม่กลัวอะไรมันอยู่กับตัวเดียวตัวเดียวของมันก็ยังอยู่ได้มึงเป็นคนแท้ๆอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้เห็นไหมปัญหาต่างๆมันมันพอที่จะเกิดขึ้นเพราะเราไม่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นปัญหาอยู่กับตัวเราทั้งหมดเราก็ต้องแก้ที่ตัวเราปัญหาเกิดจากอะไรแก้ที่ตัวเราทั้งนั้นเมื่อย้อนกลับมาแก้ที่ตัวเราปัญหาทุกอย่างมันก็จะดับหมดสิ้นไปปัญหาก็คือการเกิดขึ้นของชีวิตเมื่อมีชีวิตปัญหาจึงมีมา เมื่อไม่มีชีวิตปัญหาก็ไม่มีมานั้นความมีอยู่ของชีวิตนี้คือปัญหาปัญหาเป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมรับเหตุให้เกิดมีชีวิตอยู่เรื่อยๆคืออะไรคือการยึดมั่นถือมั่นในตัวชีวิตว่าเป็นตัวเราเป็นของของเรานี่คือเหตุเหตุตัวนี้แหละยึดแม้แต่ความกลัวเข้ามาแทรกนี่ก็กลัวตัวเองจะเป็นอะไรไปต่างๆนานาในป่าในเขากลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้เพราะความความกลัวนี่เองทําให้เกิดการยึดยึดอยู่ในตัวเอง หวงแหนตัวเองปกป้องตัวเองรักษาตัวเองระวังไม่ให้ตัวเองได้รับโทษรับภัยต่างๆนาน า, นาการยึดถือหวหนแหงในตัวเองอยู่อย่างนี้โดยไม่ปล่อยวางเลยไม่มีความคิดที่จะปล่อยวางเลยปล่อยไปซะว่ามันจะเป็นอะไรก็เป็นไม่เคยคิดมีแต่คิดว่ายังไงถึงจะอยู่รอดยังไงถึงจะเป็นไปได้ยังไงถึงจะไม่อยู่ไม่ให้อำนาจความกลัวครอบงำอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยคิดคิดมีแต่ว่า ไม่อยากกลัวไ ม, นะไม่อยากจะเจอสิ่งนั้นไม่อยากจะเจอสิ่งนี้ต้องมาอยู่ในป่าทําไมก็บอกตัวเองมาปฏิบัติทําไมเสียเลี่ยมาศาสนาเสียเลี่ยมพระ พ, พุทธเจ้าเสียเลี่ยมวงกรรมาฐานวงกรรมาฐานเขาพาไปอยู่ในที่มันกลัวที่มันน่ากลัวเพื่อจะเห็นสติสัพชัญญะการพึ่งพาตัวเองเราไปอยู่ในที่นั้นเพื่อจะเห็นสิ่งเหล่าเนี้ยเกิดขึ้นแต่จิตใจเราอ่อนแออยู่อย่างนี้ปัญหาต่างๆมันก็ดูคนเดียวก็มีปัญหาเข้าใจไหม ไม่ต้องอยู่กับคนอื่นเลยยิ่งอยู่กับคนอื่นก็ยิ่งมีปัญหา <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นนะมนุษย์มนุษย์เข้าใจว่าอยู่หลายหลายคนจะไม่ค่อยมีปัญหามันจะไม่มีปัญหาได้ยังไง ม, มีปัญหามากแม้แต่เท้าจจตุลโกบาลทั้งสี่ซึ่งเป็นผู้ปกครองโลกเป็นผู้ดูแลโลกอยู่ในสวรรค์ชั้นจตุมมหาราชิกาที่อยู่ใกล้โลกที่สุดเนี่ยยังปกครองเหล่าเทวดา และผีปีศาจบางจําพวกไม่ได้เลยเพราะมีอมรุษผีปีศาจบางจาพวกไม่อยู่ภายใต้การปกครองก็มีใช่ไหมล่ะ น, นั้นระดับเทวดานันเองเขายังก่อกวนมนุษย์อยู่ยังมีการอมรุษผีปีศาจบางจําพวกที่มีอยู่ภายใต้การปกครองของเทวดาเนี่ยยังมีการก่อกวนมนุษย์พระพุทธเจ้าก็เลยให้มนุษย์สวดพระปริตเพื่อป้องกันตนเองนั่นคือหลักของการพึ่งพาตนเองเราจะมาหวังให้เทวดา ปกปักรักษาเราโดยถ่ายเดียวเป็นไปไม่ได้เขาปกครองกันไม่ได้ตลอดทั้งหมดหรอกมนุษย์เราจะต้องพึ่งพาตัวเองส่วนพระปริตด้วยตัวเองท่อง า, า่ากรรมฐาน4ีปฏิบัติแก้ไข จ, จิตใจเรียนรู้ความเป็นจริงของชีวิตด้วยตัวเองอเผชิญกับปัญหานั้นด้วยตัวเองและกําหนดหมายเหตุให้เกิดปัญหาคือการยึดตัวเราการที่เรายึดตัวเราไว้เนี่ยเราไม่เคยคิดที่จะปล่อยวางการยึดมันถือบันภายในตัวเราเลยเนี่ย นั่นแหละคือปัญหาที่สำคัญที่สุดคือเราเหตุให้เกิดปัญหาที่สำคัญที่สุดเป็นตัวเหตุการยึดด้วยความรู้สึกในการพึงพอใจมันก็เป็นธารรมดาที่เราจะต้องพึงพอใจในตัวเรายินดีในตัวเราลักในตัวเราห่วงแหนในตัวเราแต่ว่าเมื่อเรารู้ว่าเป็นเหตุของปัญหารู้ชัดเข้าใจชัดว่ามันเป็นเหตุการยึดถือหวงแหนลักให้ในตัวเรา ยึดมั่นถือมั่นในตัวเราไม่ยอมเสียเปียบอะไรใครเลยไม่ยอมให้ตัวเองถูกความกลัวที่ผ่านเข้ามาให้มันเกิดขึ้นคือไม่กล้าอยู่กับความกลัวอันนั้นคือความอ่อนแอคือการยึดถือในตัวเองยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งหมดในชีวิตของเราพอเราปล่อยให้ตัวเราอยู่ความกลัวได้เอาความกลัวมันจะมีมากน้อยแค่ไหนก็ตามผ่านผ่านเข้ามาแล้วเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ก็จะดู ดูความกลัวแล้วอยู่กับความกลัวนะั้นความกลัวเกิดขึ้นเอาตั้งแต่สี่ทุ่มห้าทุ่มไปนุ่นตีหนึ่งตีสองก็ยังไม่หายกลัวตีสามยิ่งวิเวกยิ่งกลัวเขาไปหนักใหญ่ทีนี้ยิ่งเงียบเกิดผลลุกพองสยองก้าวขึ้นตีสี่ตีห้าสว่างโอยเห็นแสงสว่างแล้วหายกลัวหายกลัวเพราะเห็นแสงสว่างก็ยังคือว่า ใช่ออนแอร์ air, อยู่ไม่ได้พึ่งตัวเองนั่น <c ười> ทำไงล่ะทีนี้เอาอีกฝึกใจอีกดูตั้งแต่มันเกิดความกลัวขึ้นตั้งแต่ตอนไห น, นสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มดูไปจนจะมีแสงสว่างก็ตามไม่มีแสงสว่างไม่ได้รอตรงนั้นแล้นะถ้ารอแสงสว่างเกิด ข, ขึ้นก่นใช้เวลาหลายชั่วโมงจิตเราก็จะกระวนกระวายพอเรากำหนดดูความกลัวอยู่เรื่อยเรื่อยเื่อยแล้วกายนี้มันจะเป็นยังไงก็เป็น มันจะเป็นมันจะตายก็เรื่องของมันจะมัวยึดถือหวงแหนหวงแหนเมื่อไม่กี่พอกี่พลาดกี่ชาติแล้วก็ไม่เคยพาเราพ้นทุกข์สักทีไปเกิดในที่ไหนๆก็มีแต่กายกับจิตไปเกิดก็พาเราทุกขอยู่อีกแก่เจ็บตายก็เพราะมันนี่แหละหาเลี้ยงชีพมันก็แต่ตะวันเกิดจนถึงทุกวันนี้มันก็เลยไม่เคยพาเราดีสักทีจ้าดีอะไรกับมันไอ้กายนี้มองอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นทำความเข้าใจอย่างนั้น ก็ไม่นานจิตมันเป็นสมาธิจากการจดจ่อดูความกลัวพร้อมกับการพิจารณาธรรมพร้อมกับพิจารณาธรรมนะพร้อมกับพิจารณากายพิจารณากายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมทั้งทั้งที่ความกลัวก็เกิดขึ้นแต่ก็อยู่กับความกลัวพร้อมกับพิจารณากายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมจิตก็เป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิความกลัวมันหายไปทีนี้ อาการที่จิตเป็นสมาธิและความก ล, ลัวหายไปเป็นการพึ่งพาตัวเองได้ยังยังนั้นยังพึ่งสมาธิอยู่ความกลัวไม่มีเลยมีแต่ความกล้าที่นี่กล้าก็กล้าจนเกินไปกล้าจนกล้าท้าผีปีศาจอยู่ในป่าช้าทั้งหมดมีอยู่กี่ตัวลุกขึ้นมาเลยมาหาเรานี่เราอยากจะดูจริงๆว่าผีเป็นยังไงกล้ากว่ากล้าเกินไปแล้วที่นี่ด้วยอานาจของสมาธิกล้ามาก กลัวมากก็ไม่ม <ination noises> ีป so ัญญากล้ามากก็ไม่เกิดปัญญาก็อยู่ด้วยความกล้าด้วยอำนาจของสมาธิเพราะอีจิตมันอิงอยู่กับสมาธิอยู่นั้นยังไม่ใช่การพึ่งตัวเองจนไปเห็นคันห้าเกิดดับจับดูอาการคันห้าเกิดดับเกิดดับเกิดดับจนทำลายสักการยธิธิจิตรับทราบพระนิพพานปรากฏว่า จิตมันเป็นธรรมชาติมากกว่าการที่จิตเป็นสมาธิจิตที่ทําลายอาสวะกิเลสได้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันจะลงสู่ความเป็นธรรมชาติมากกว่าจิตที่เป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธิเวลามันลงสู่สมาธิสง บ, บลงสู่ความสง บ, บแล้วมันจะมีพลังเหมือนกับมีพลังอยู่ภายในเป็นความพิเศษเป็นความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาภายในจิตใใจมันจะโน้มใจให้เราไปในทางทางด้านของการยังไงอิทิริศปฏิหาร แต่จิต ท, ที่ทำลายส ก, กายยทิทิและได้แล้วเนี่ยมันจะลงสู่ความเป็นธรรมชาติมันจะไม่น้อมใจไปสู่อิธิริปฏิหานมันมันจะน้มใจไปในการดับภบดับชาติดับดับความล้มผิดดับควา ม, มงมงายดับดับสิ่งที่ไอความกลัว เ, เป็นเรื่องแค่เล็กน้อยถือว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ยังไงไม่ไม่ประสีภาษาอะไรกับจิตใจเราอีกแล้วเนี มันก็เลยเห็นคุณค่าทางจิตใจว่าอ๋อจิตที่รู้ธรรมะจิตที่มีธรรมะคือจิตที่พึ่งพาตัวเองได้ธรรมะนี้คือสัจจะเรียกว่าความจริงอยู่กับความจริงอยู่กับความไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายคือความจริงการที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายนี่คือความจริงการที่เรายึดมั่นถือมั่นในกายนั้นคือความไม่จริงแต่เราสักกี่คนที่จะรู้ว่าการยึดมั่นถือมั่นในกายเป็นความไม่จริงนะมีสักกี่คนที่จะรู้ว่ามันไม่จริง เราเข้าใจว่าตัวเราจริงๆกายเราจริงๆใจของเราจริงๆก็ก็เข้าใจอย่างนั้นอาตมาก็เข้าใจอย่างนั้นนะครับว่าบุตรชนก็ยึดถืออย่างนั้นก็เห็นอย่างนั้นก็ตัวเราจริงๆมันจะเป็นตัวตัวอื่นได้ยังไงใช่ไหมล่ะก็ต้องเข้าใจอย่างนี้ก็นี่แหละปัญหานีนี้พอยึดตัวเราว่าตัวเราจริงๆก็คือยึดปัญหาทั้งตัวอะไรทั้งหมดเลยอะไรก็ตามมากระทบเราก็เกิดเป็นปัญหากระทบทั้งหมดเลยกระเทือนทั้งหมดเลยกระเทือนตัวเรา อะไรก็ตามที่กระทบกายกระทบจิตกระเทือนเราพรเรามายึดอยู่ในตัวเราหากเราเห็นว่ากายคือกายจิตคือจิตกายคือธาตุสีดินน้ำไฟลมจิตคือกระบวนการของนาำนำทั้งสีเวทานาสัญญาสังขารมิจานเป็นกระบวนการแห่งการดำรงอยู่และสืบต่อไปตามเหตุปัจจัยของมันที่สืบเรื่องมาจากอวิชชาการเกิดแต่ปางก่อนมันก็ดำเนินไปสู่ความแก่ความเจ็ บ, ค ว, จบความตายตามธรรมชาติปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายปล่อยให้มันเป็นภาวะของมันปล่อยให้มันเป็นไปตามกระบวนการและลักษณะ ที่มันเป็นสังเกตดูลักษณะพวกมันสิเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปทั้งนั้นสังเกตดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆผอนการยึดมั่นถือมั่นในตัวเองว่าเป็นเราเป็นตัวของเราทั้งหมดในกายในจิตได้อะไร ม, มันก็ตามมันกระทบกระเทือนก ร, กระทบตัวกายกับจิตมันจะไม่กระเทือนเรากายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์แต่เราไม่เป็นทุกข์แสดงว่ามีเราต่างหากจากกายกับจิตหรืออันนี้ก็ เอาไว้ปฏิบัติถึงจะรู้จะเห็นว่าเราที่เป็นตั้งหากจากกายกับจิตนั้นเป็นอย่างไรแท้ที่จริงแล้วเราในการในจิตมันไม่มีนู่นแหละจนกว่าจะถึงพระนิพพานบางคนก็บอกพูดถึงนิพพานยากเย็นแสนเข็นเหลือเกินพระ อ, อาจารย์มันก็ยากมาด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครมาได้โดยง่าย พระพุทธเจ้าเราเองอ่านประวัติแล้วง่ายไหม mm hmm. ไม่ง่ายเลยใครง่ายบ้าง mm hmm. ก็เห็นพระอัญญาโกณทัญญาฟังปุ๊บ ก, ก็บรรลุปั๊บอยากจะได้อย่างนั้นบ้างแล้วทำมาแบบพระอัญญาโกณทัญญาหรือเปล่าทำมาแบบพระอัญญาโกณทัญญาไหมทำแบบไหนพระอัญญาโกณทัญญาเป็นฤาษีอยู่ตั้งกี่ปีข mm hmm. อนพ่อพุทธเจ้ามัง่งเป็นพรามอ่ะ ออกบำเพ็ญทุกขลกิริยาใช่ไหมเป็นมาก่อนผุ้ได้เจ้าอีออกบวชก่อนอีกเป็นพรามแล้วออกบวชนัดไหมละ่ะบำเพ็ญทุกขลกิริยานัดทําแบบท่านหรือยังยังแล้วบอกว่าอยากจะบรรลุแบบท่านฟังแล้วปุ๊บบรรลุ ป, ปั๊บโอ้คนประเภทนี้นี่ ก็มีนะประเภทฟังปุ๊บบรรลุปับในยุคนี้แต่บรรลุแบบไหนไม่รู้เขาก็บอกเขาบรรลุนะเขาว่าันไปการปฏิบัติบางคนอยากจะรู้ง่ายถ้าอาจารย์ผมอยากจะได้ธรรมะที่ง่ายง่ายที่สุดพะอาจารย์สอนธรรมะที่ง่ายที่สุดให้ผมหน่อยเอาบทเดียวนะอย่าเอาเยอะนะเยอะมากยุ่งยากผมจำไม่หมดเาว่าอย่างี้ ทำมาบทเดียวแต่มาไม่มีล็อกไม่สอนทำมาบทเดียวมันพระพุทธเจ้ายังไม่สอนเลยทำมาบทเดียวที่ง่ายที่สุดพระพุทธเจ้าสอนมีอะไรรู้ไหมที่ง่ายที่สุดเลยที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วบรรลุปเป็นอาหารหันด้วย น, นะน เ, ยเห็นก็สักแต่ว่าเห็น ได้ยินก็สักแต่ว่ายินรับทราบก็สักแต่ว่าได้รับทราบเมื่อเห็นสักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเมื่อรับทราบสักแต่ว่ารับทราบเมื่อนั้นแหละโลกนี้ก็ไม่มีโลกหน้าก็ไม่มีโลกทั้งสองก็ไม่มีนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์จบเสร็จปับ๊บพาหิยะบอกพระพุทธเจ้าเลยสาธุพระองค์ไม่ต้องเทศต่อแล้วเอา้าทาไมล่ะ ข้าพระองค์สิ้นอสวะแล้วก็จะฆ่าพูดจบปุ idade, ๊บจิตของพระพาหิยะสิ้นอสวะแล้วทันทีนั่นง่ายที่สุดแล้วสิ้นอสวะแล้วง่ายมากแต่ก็สอนไปตั้งหลายคำนะไม่ไม่ใช่คำเดียวนะเห็นสัจธรรว่าเห็นได้ยินสักธรว่าได้ยินรับทราบสัจธรว่ารับทราบในการใดแลที่เธอเห็นสัจธรว่าเห็นในการใดแลที่เธอได้ยินสัจธรรว่าได้ยิน ในการดแลที่เธอรับทราบสักแต่ว่ารับทราบโรคนี้ก็ไม่มีโรกหน้าก็ไม่มีโรกทั้งสองก็ไม่มีนั่นคือที่สุดในครูถามว่าพระภิกษยะบรรลุขณะนั้นน่ไม่เห็นได้ทำความภาเพียนไม่เห็นต้องมานั่งสมาธิไม่เห็นต้องทรงจำทาไม่เห็นต้องไปเดินจงกรมอยู่ปา่าอยู่เขาอะไรเลยบรรลุได้ยังไงฟังแค่นี้ มันเป็นภาระทางปัญญาของผู้รล่าังว่าบุคคลผู้นั้นมีปัญญาระดับไหนฟังเสร็จปุ๊บปัญญานั้นจะทําการไข้ควรอย่างไรถูกต้องตามเหตุปัจจัยหรือเปล่าถ้าปัญญาไข้ควรตามเหตุปัจจัยถูกต้องขเขาก็บรรลุของเขาได้แต่พวกเราฟังกี่ครั้งกี่ครั้งปัญญาไข้ควรตามเหตุปัจจัยถูกต้องไหมล่ะบางทีก็เข้าใจผิดอยู่อนะหลายๆอย่างใช่ไหมเข้าใจผิดอยู่ มันต้องต้องย้าความเข้าใจนั้นย้าแล้วย้าอีกย้าแล้วย้าอีกว่าปัญหาอยู่ที่เราเกิดปัญหาอยู่ที่เราเพราะมีเรานั่นแหละมันจึงมีปัญหาต่างๆเพราะมีเรานั่นแหละจึงมีลูกเพราะมีลูกนั่นแหละจึงเป็นปัญหากับเราวนกันอยู่อย่างนี้แหละถ้าไม่มีเราสียอย่างลูกก็ไม่มีปัญหากับลูกก็ไม่มีอย่างเงี้ยเนาะเนาะเนาะเนาะ มันก็อย่างนี้วนเวียนกันอยู่อย่างนี้ทีนี้พอไปอ่า น, า ป, านประวัติของพานิยะทาลุจิริยะอดีตการ์ในสมัยที่พุทธเจ้าพนันว่ากัสปะออกบวชแต่ไม่บรรลุธรรมปฏิบัติยังไงก็ไม่บรรลุธรรมก็เลยชวนเพื่อนด้วยกันเจ็ดคนเจ็ดคนหรือห้าคนประมาณนีนะ้ขึ้นไปบนภูเขา ไต่ขึ้นไปบนภูเขาไตา่ไต่เสร็จขึ้นไปบภูเขาเสร็จปั๊บล้วอธิษฐานว่าหากไม่บรรลุธรรมจะไม่ลงจากภูเขาอีกเลยตลอดชีวิตอดีตอดีตอดีตชาตินะในยุคสมัยของพระเจ้าพนม า, ามกษัตริยกษัตริย์โคต玛ก่อนก่อนพระพุทธเจ้าเราหนึ่งพุทธดอนแล้วมาเกิดเจอพรุทธเจ้าเราแล้วมาบรรลุธรรมเพราะบทธรรมเมื่อกี้นี้ที่เล่าขึ้นไปอยู่บนภูเขา ทำสมาธิโจงกลมภาเพียรภาวนาอยู่อย่างนั้นวันแรกเพื่อนคนหนึ่งบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เลยเหาะไปบินาบดในเมืองแล้วเอาอาหารบินาบดมาให้พระที่เหลืออยู่พระที่เหลืออยู่เราไม่ฉันตราบเท่าที่จะไม่บรรลุไม่บรรลุก็จะไม่ฉันอาหารพระที่เป็นอรหันต์ก็บอกฉันเถอะเดี๋ยวอัตาภาพไม่ทรงอยู่เป็นไปไม่ได้โอกระฐานสําเร็จแล้วท่านจะกินยังไงก็กินไปที เราไปสำเร็จจะมัวมาด้านกินอยู่อย่างนี้เราก็ไม่มีความสุขหรอกะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้เมื่อเอาอาหารมาให้กินแล้วก็ก็ไม่ยอมท่านก็ไม่รู้จะว่าอย่งไงก็ช่วยได้แค่นี้แหละท่านก็ลงจากเหอลงจากภูเขาไปโปรดชาวเมืองวันที่สองมาเพื่อนอีกคนหนึ่งบรรลุเป็นพระราหันก็เหาะไปวินาศบาลเอาอาหารมาให้พระที่เดือยกินก็ก็ไม่กินอีกนั่นแหละ วันที่สา ม, มาองค์ที่สาเป็นอนาคามีประมาณเนี้ที่เหลือนี่ตายบนภูเขาไม่ได้กินอาหารตายตายในการบำเพ็ญเพียรภาวนาพาหิยะอีกคนหนึ่งมีใครที่มาเกิดในยุคสมัยพุทธเจ้าอยู่บนภูเขาประมาณสี่บนะ้างสี่หรือห้าอ่างพาหิย ะ, ะอะไรอีกปุกุสาติเหรอปุกุสาติอดีตชาติ เคยได้ยินไห้ปุกุสาติอาตมาเคยเทศให้ฟังอยู่ที่ว่าเป็นพระธราชาเป็นกษัตริย์น่เป็นพระมหากษัตริย์อยู่ในเมืองอีกเมืองหนึง่งพระเจ้าพิพิษานเป็นสหายกันที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนที่ได้ส่งรัตนปาลิตรัตนสูตรนะหลบทรัตนปาลิตเนี่ยให้พวกเราสวดส่งจารึกไว้ในแผ่นทองคําส่งไปให้พระเจ้าปุกุสาติเป็นเครื่องบรรณาการพระเจ้าปุกุสาติอ่า น, นรัตนาปาลิตรเนี่ยลัตนสูตรเนี่ย สามเดือนทุกวันอา่านแล้วเกิดสักการทราบซื้อในพุทธรัตนธรรมรัตนสังคารตนะแค่เขาได้ยินคําว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นแหละปีติเกิดไม่มีระหว่างขั้นเลยในการเกิดอยู่ตลอดเวลาไม่มีระหว่างขั้นไม่มีการขาดหายช่วงจิตจึงดิ่งลงสู่ฌานในการอ่านรัตนผลิตนั่นะจิต ด, ดิ่งลงสู่ฌานเลยนะไม่ธรรมดาไอ้พวกเราอาร่านกี่เที่ยว ไปโงชาญไม่หล่ะชาญอะไรไม่รู้ลงอชาญแห่งการหลับ อ, <laughs> อันนั้นจิต ด, ดิ่งลงสู่ชาญอยู่สามเดือนสุดท้ายแล้วก็อธิษฐานเพศเป็นนักบวชถอดเครื่องประดับเครื่องยอดพระราชาออกอธิษฐานเพศเป็นนักบวชใส่ชุดนักบวชเดินองค์จากพระราชวังทาหารเห็นบอกเอเอพระมุนีผู้นี้ ดาบทผู้นี้ตอนมาทําไมเราไม่เห็นแต่ตอนออกจากวังออกมาได้ยังไงแล้วตอนมามาอย่างไงออกแล้วออกมาจากวังได้ยังไงเพราะตอนมาไม่เห็นจําไม่ได้ว่าเป็นพระราชาของตัวเองเพราะเปลี่ยนชุดแล้วพอดูท่าทีดูลักษณะไปเอานี้เหมือนคล้ายๆกับพระเจ้าอยู่หัวเราเลยนี่หว่าเนี่ยพอก็ไปดู ใ, ใกล้ๆอีกใช่แน่เลยนี่เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวเรา ก็เลยกล้มถวายบง่งคมแล้ว เ, เราเป็นสมณะแล้วเราเป็นนักบวชแล้วเราสาระทุกอย่างแล้วเราไม่เอาแล้วสะสมบัตินี้เราจะสแสวงหาอริยทรัพย์สมบัติพุทธรัตนธรรมรัตนะตนะสังฆรัตนะเดินและลึกถึงพระเจ้าพระนางพระสงค์อย่างเงี้ยทุกก้าย่างเดินด้วยพระบาทเปล่าพรอพุทธเจ้าทรงเล็งดูว่าปุกุสาติเนี่ยหากเดินด้วยพระบาทเปล่ามาหาพระองค์ ระยะทาง45โยดโยดหนึ่ง16กิโล45โยดกี่กิโพันแล้วมั้งต้องตายในระหว่างทางแน่นอนคือจะว่าไงเนี่ยตายแน่แน่ในระหว่างทางไม่ได้เห็นเราสถาคตแน่ก็เลยพวกองก็เลยถ้าปล่อยให้เดินมาเนี่ยภุกุซ่าติจะเสียประโยชน์เพราะต้องตายระหว่างทางพวกองก็เลยเดิน มาหาปุกุสาติในระหว่างทางไปเจอกันอยู่ในโรงช่างปั้นหม้อไปขอพักปุกูสาติไปถึงก่อนไปขอพักอยู่ที่โรงช่างปั้นหม้อเขาาก็ให้พักอยู่ที่โรงโรงร้างอห่งหนึ่งพุทธยาก็ไปถึงที่บ้านของช่างปั้นหม้อนี้แล้วก็ไปถามช่างปั้นหม้อว่าขอพักคืนหนึ่งได้ไหมช่างปั้นหม้อบอกว่ามีสมณะผู้หนึ่งเข้ามาพักแล้ว หากท่านไปขอสมณผู้นั้นขอขอพักหากเขาอนุญาตท่านก็พักได้หากเขาไม่อนุญาตเราก็ไม่รู้จะบายยังไงเพราะเรามอบให้เป็นที่พักของเขาแล้วพุทธเจ้าก็เลยเข้าไปแล้วก็ขอพักได้ไหมปู่อุสาติก็บอกพักได้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะพุทธเจ้าเนี่ยไม่รู้นั่นเป็กาแสดงว่าพุทธเจ้าไม่ได้มีลักษณะพิเศษกว่าคนทั่วไปเพราะปู่กุสาติแยกไม่ออกว่าเป็นพุทธ เ, เ, เจ้าหรือเปล่า แต่ว่าผูทีเจ้าก็เหมือนเหมือนกับคนทั่วไปเนีน่ไม่ได้มีดอกบัวรองรองรับอย่างเงี้ยแต่คุณเข้าใจว่าผมก้หนหอยก็ไม่ใช่เป็นสีสันล้นแต่เส้นผมนั้นอ่ะมันมันขดเวียนรอกแนบกับหนังศีสันและเป็นอย่างนั้นตลอดไม่ใช่เป็นก้นหอยเป็นปุ่มออกไม้อย่างงี้ไม่ใช่นะคือมันเส้นผมมันวนเห็นไหมคนที่เขาทําผมเป็นลอนเป็นลอนแต่มันมันเส้นผมผู้ที่เจ้าสั้น ใช่ไหมไม่ใช่เป็นร่อนแบบใหญ่เป็นเป็นเป็นขดแนบแนบอยู่กับน้ำสีสันเนียนเลยนะเป็นสีสันก็เลยล้วนไม่จําเป็นต้องโกนเพราะเส้นผมไม่ยาวไปกว่านั้นก็เลยเราหากท่าน ป, ปาฏาหาริย์จะพาก พ, พากเกิดปุปปุสาติก็นั่งเข้าฌานและรลู้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมคัมภีร์พระพุทธเจ้าก็นั่งเข้าสมาธิีน้ตานคนก็ต่างนั่งเข้าสมาธิ กูเจ้าก็เลยคิดขึ้นว่าหากเราไม่ไต่ถามอะไรบางอย่างกับปู่กูสาติการแสดงธรรมก็จะไม่เกิดขึ้นพระองค์ก็เลยลืมตาขึ้นมาแล้วก็แอมขึ้นปู่กูซาติก็เลยกรแอมตอบเหมือนกับเป็นเครื่องเครื่องเครื่องให้รู้การสนทนากันว่าจะมีจะขอใช้เสียงหรือว่าการสนทนาหรือไต่ถามกูเจ้าก็ถามว่าท่านเป็นใครมาจากไหนมายังไง บุคุสติก็บอกว่าเรามาจากเมืองนั้นเมืองนี้แล้วก็มาพักที่นี่จะไปหาใครจะไปหาพระสมมาสัมพุริเจ้าแล้วเคยเห็นพระสมมาสุภุริเจ้าไหมบอกไม่เคยเห็นแล้วถ้าเจอพระ อ, องค์จะรู้จักไหมไม่รู้จักไง ท, งท่าที่พุทธเจ้านั่งอยู่ต่อนหน้าอยากเจอพระ อ, องค์ไหมอยากเจอเอางี้แล้วกันท่านจะเจอพุทธเจ้าหรือไม่เจอก็ตามถ้าเราแสดงทำอะไรบางอย่างให้ฟังเถอท่านจะฟังไหมฟังสิขอให้ท่านแสดงธรรมมาเถอด พุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมเรื่องธาตุสี่อย่าไใช่ธาตุโกมนุษย์มีแดนรับรู้อยู่หกมีมีแดนรับรู้อยู่หกมีแดนผาสสะอยู่หกมีอารมณ์เหนื่งนวลนึกสิบแปดผู้ทนะี่เอาไว้เน่ยนมนุษย์เรามีธาตุโกแดนรับรู้หกอารมณ์นวลนึกสิบแปดมีธาตุโกคืออะไรบ้าง ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศทธาตุและก็บิญญาณาวิญญาณาตุหแต่ที่เราเรียนธาสีนี่คือธาตุพื้นฐานพื้นเจ้าเพิ่มอากาศทธาตุคือช่องว่างในกายอะไรก็ตามที่เป็นช่องว่างในกายอ น, นั้นคืออากาศสาัทคือสิ่งที่เป็นช่องสิ่งที่เป็นช่องก็เป็นธาตุอีกหนึ่งคือธาตุแห่งความว่างนะเช่นช่องจมูกช่องหูช่องปากทางเดิอนอาหารทั้งหมด อ, อวัยวะใดก็ตามไม่ติดกัน ในอวัยวะภายในที่ไม่ติดกันอวัยวะนั้นจะมีช่องที่เหลือ น, นั่นคือธาตุเหมือนกันก็เลยมองจากความว่างจากภายในออกมาภายนอกก็เลยเห็นว่าทุกอย่างตั้งอยู่บนความว่างมีอยู่ในความว่างหากไม่มีความว่างก็ไม่สามารถตั้งอยู่ได้โลกนี้ถ้าไม่ว่างโลกนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วขุยยถาสอนเรื่องธาตุแล้วก็มีวิญ ญ, ญาณธาตุธาตุแห่งการรับรู้คือธาตุทั้งห พบในนี้อารมณ์หน่วงนึก18มนุษย์เรามีอารมณ์หน่วงนึกสิมีอะไรบ้างหน่วงนึกในในสิ่งที่เห็นใช่ไหมปรากฏว่าเป็นสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกสุขไม่สุขไม่ทุกบ้างสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ดมกลิ่นสิ่งที่ริ้มรถสิ่งที่สัมผัสกายสิ่งที่ปรากฏกับใจเป็นสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้าง3 6 18อารมณ์ไหน สิ่งที่เราเหนีนึกในใจมีอยู่สิบแปดอย่างไม่เกินนั่นที่เราพูดถึงร้อยแปดพันประการอันนั้นคือรวมอยู่ในสิบแปดนี้คืออารมณ์ที่เป็นสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์รับเดียว น, นี้ปกูสาติฟังป้าจนจบเอ๊ะทำไมท่านสแสดงธรรมเหมือนพระพุทธเจ้าสแสดงเลยลเียจิตบรรลุธรรมเป็นอนาคามีในเวลานั้นเพราะมองเห็นทุกอย่างเป็นเพียงแค่ธาตุ อย่างเป็นธาตุหมดเลยเอ๊ะทำไมแสดงธําเหมือนกับผู้ธเจ้าเลยงั้นก็ผู้ได้เจ้าแสดงธํามแล้วผู้ได้เจ้าเลยบอกว่าเรานี่แหละคือสัมมาสัมพุทธะเราคืออะไรคือผู้ธเจ้าโอ้โหถ้าพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นผู้ไเจ้าตั้งแต่แรกข้าพระองค์ก็คงยังไม่นั่งอย่างนี้คือไม่นั่งไม่นั่งโดยเสียความเคารพอย่างนี้คงจะนั่งนั่งแสดงความเคารพมากกว่านี้อย่างเนี้ยตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นผู้ธเจ้า พระเจ้าก็เลยบอกว่าหากเราบอกว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าก่อนจิตเธอจะปีติมากปีติที่มากจะฟันคำไม่ได้จำไว้เลยนะอย่างที่บอกว่าสมาธิมากจะไม่สามารถส่งใจไปในธรรมได้สมาธิอ่อนเกินไปก็สงใจไปในธรรมไม่ได้ต้องเป็นกลางๆพอดีๆก็มีภาริยากู้คุสาติ น่าจะเป็นสติสัน ต, ติอมารีคนหนึ่งที่ที่ว่ารอดมาจากที่บอกตายอยู่ในภพของพระเจ้าพุทธเจ้าพระนามว่ากัสะปัแล้วมาเกิดในพุทธเจ้าสรรัมมาโคดมสัน ต, ติมหามาอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นอย่างนั้นมีอีกคนหนึ่งทำไม่ได้คุ้นๆนสัน ต, ติมหามารีี่ก็น่าสนใจได้เคยเลาให้ฟังนะไรไหมเนา สัตติมหาหมาตนี้ได้ไปรบที่เมืองชายแดนแล้วชนะค่าศึกพอชนะค่าศึกมาพระราชาก็เลยยกเขาเรียกว่ายกให้เป็นกษัตริย์อยู่เจ็ดวันพอเป็นกษัตริย์กษัตริย์อยู่เจดวันนี่ก็ริเพิดเพลินอย่างเดียวเลยกินดื่มอยู่กับนางลำตลอดเจ็ดวันวันที่เจ็ดนางลำเสียชีวิต นางลำที่เป็นที่รักเสียชีวิตเพราเสียชีวิตลงก็เศร้าโศกเสียใจในวันที่เจ็ดก่อนหน้าที่จะสันตติธมหาหมาตเนี่ยแต่ก่อนไม่ได้ศรัทธาพุทธศาสนาไม่ได้เชื่อในพระรัตนตรัยพระเจ้ากับพระอานุนไปบิณาบาตก็ไม่สนใจที่จะใส่บาตรทีนี้ในเช้าวันที่เจ็ดด้านพระเจ้าพูดกับอนุ์ว่าสัน ต, ติรรมมหามาัดจะสิ้นอาสวะกิเลสเป็นพระอารหันต์ในวันนี้ บอกเอ๊คนกินเหล้าเมายาอยู่อย่างเงี้ยจะมันจะสําเร็จเป็นพระทหารได้ยังไงก็ปรากฏว่านางลำตายและเกิดความเศร้าโศกเสียใจหาใครที่จะมาบรรเทาความเศร้าโศกไม่ได้จึงมาหาพระพุทธเจ้าพุทเจ้าก็ตรัตธรรมเพียงบทว่ากิเลสเครื่องกังวลใดที่มีมาในอดีตจงละกิเลสเครื่องกังวลนั้นเสียกิเลสเครื่องกังวลใดที่จะมีมาในอนาคตจงละกิเลสเครื่องกังวลนั้นเสีย กิเลสเครื่องกังวลใดก็ตามที่มีอยู่ในปัจจุบันจงละกิเลสเครื่องกังวลนั้นเสียครูแจ้วสอนแค่นี้บรรลุเป็นอรหันต์แล้วแล้วพวกเราล่ะสงสัยต้องไปฟังพระเียแล้วยังไมไตรไม่บรรลุใช่ไหมก็ถึงความส่่งเมาเลยทีนี้ถึงความส่่งเมาสิณสักกิเลส เป็นพระลาห์แล้วก็รู้ว่าตนเองจะต้องตายในวันนั้นด้วย<ม>คํานวณดูชีวิตแล้วเราต้องตายใช่ไหมก็เลยกราบทูลล า, ร า, ารพาระเจ้าข้าโฮงขอไปปฏิทินพานพระเจ้าข้ายังไม่ได้บวชนะม<ๆ>ไม่ได้บวชพระย่าก็เลยบอกว่าเธอจงปฏิทินพานเถิดแต่ก่อนที่จะปฏิทินพานจงแสดงอคุณค่าทางศาสนาให้เขาให้คนอยู่ได้เห็นหน่อยให้ให้ใหชาวบ้านเขาได้รู้ก็เลยขอขึ้นไป สูงสุดประมาณเท่าลำตาลแล้วก็หอกลงมากราบพระบาทของพระเจ้าแล้วก็หอกขึ้นไปอีกในช่วงสูงชั่วลงลำตาลที่สองแล้วก็ลงมากราบพระบาทพระเจ้าแล้วก็หอะขึ้นไปอีกลำตาลที่สามความสูงต่อขึ้นไปอีกเรื่อยๆก็ลงมากราบพระบาทพระเจ้าแล้วก็หอกขึ้นไปแล้วก็อธิษฐานร่างกายแตกละเอียดอยู่บนน้าผากาันอธิษฐานทั้งหลายพระเจ้าก็บอกให้เก็บรวบรวมกันไปสร้างสถูปสักการะบูชา ถามว่าเขาบรรลุทําง่ายอย่างนั้น่ะเขาเพิ่งจะบําเพ็ญในตอนนั้นเลยเขาถึงจะบรรลุ <Okay. S 1> ทุกคนมันมีอดีตที่ตัวเองสั่งสมมาทั้งนั้น mm hmm. มากมายไม่ใช่ว่าเอ้ทาไมองค์นั้นฟังผู้บรรลุองคนี้ฟังปั๊บบรรลุเห็นท่านได้ทําอะไรเลยไม่ได้ดูเบื้องหลังว่าอาดีตชาติเขาทําอะไรกันมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็กําลังบําเพ็ญกันอยู่นะ ทำกันอยู่ไม่ต้องไปเสียใจว่าชาติหน้าเราจะเป็นยังไงมันมีการส่งผลแน่พลังแห่งการปฏิบัติแต่อาตชาติมันผลัก ด, ดันให้จิตมันรออยู่แล้วหากใครมีการมีใครก็ตามกล่าวทำขึ้นมาปั๊บจังหวะที่บำเพ็ญมามจะคอยเปิดโอกาสให้มันจะเหมือนกับโคอยู่ที่ปากค้อรอผู้เปิดประตูให้ท่านเองพอมีคนเปิดประตูให้ก็เดินออกจากครอบส่วนคนที่อยู่ท้ายครอ ดูต่อไปข้อคือว่าตาการเย็นไหวใจเกิด อ, อย่างนี้เพราะฉะนั้นคำสอนง่ายๆไม่มีถ้าคำสอนง่ายทำให้คนบรรลุแบบง่ายๆภูเจ้าจะสอนธรรมะตั้งแปดหมืนสี่พันทำไมคงจะไม่สอนอยากลำบากตั้งแปดหมืนสี่พันหัวข้อ แต่พวกเราได้เรียนรู้แต่พวกเราก็เรียนไม่หมดอ่ะเยอะเกินไปใช่ไหมหล่ะแสดงว่าสิ่งที่ผู้ที่เราสอนันไม่ได้ง่ายเลยนะทีนี้จะมีคนมาขอบอกขอสอนง่ายๆทำมากง่ายๆเพื่อให้บรรลุทำง่ายๆอันนั้นคือคนมากง่ายมากง่ายในการปฏิบัติแล้วให้ได้ทำมากง่ายๆแต่เขาก็ได้ทำมากง่ายๆนั้นเหมือนกันนะแต่เป็นการได้แบบให้คนพยากรณ์ ไห้คนต้องคอยบอกว่าคนนั้นบัลลีบัลลุอย่างนั้นบัลลุอย่างนี้การไปให้คนนั้นคนนี้พยากรนั่นมันมันไม่ใช่หลักการทางพุทธศาสนานะ่เราต้องรู้ตัวเราพระพุทธเจ้าบอกว่าเราต้องพยากรณตัวเองได้บุคคลผู้เป็นพระโสดาบันสามารถพยากรณตัวเองได้เลยพุทธเจ้าไหวงั้นะสามารถพยพยากรตนด้วยตนนั่นมัหมายถึงว่าไม่ต้องรอให้ใครมาพยากรไม่ต้องรอให้ใครมาบอก ก็คุณธรรมมันเกิดขึ้นในใจเราแล้วเราไม่รู้นี่ต้องรอให้คนนั้นมาบอกมันมันจะใช้ได้อยู่เหรอจำไว้ล่ะคุณธรรมมันเกิดในใจเราเนี่ยไม่ได้เกิดในใจคนอื่นพอมันเกิดในใจเราเราก็รู้ในตัวเราก็เรารู้ในตัวเราก็พยากรณ์ตัวเองได้ง่ายๆอย่างนี้พระศาสนาสอนให้รู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเมื่อปัญหาคือเราเหตุปัญหาก็อยู่ในตัวเราความดับปัญหา จะต้องดับนอกตัวเราไม่ได้ต้องดับในตัวเราและทางปฏิบัติที่ถึงการดับปัญหาคือการปฏิบัติทางเดินนั้นก็คือปฏิบัติในตัวเราให้เข้าใจก็คือการมายึดมัน่นถือมั่นภายในตัวเราบางคนเขบอกก็พยายามจะไม่ยึดอยู่นะพระอาจารย์ก็ไม่ได้สักทีก็บอกตัวเองว่าอย่ายึดอย่ายึดอย่ายึดมันก็ยึดทุกครั้งและก็เมื่อถูกกระทบก็เป็นไปตามอาการมันทุกครั้ง ควบคุมตัวเองไม่ได้คิดดูว่าเราถูกอารมณ์กระทบและจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เท่ากับว่าเราได้สูญเสียความเป็นตัวเราไปแล้วนั่นหมายถึงว่าอะไรก็ตามที่มาจากภายนอกสามารถควบคุมชีวิตเราหรือชักลาบชีวิตเราให้เป็นไปตามอาการของมันได้ทั้งๆทงี้เป็นเหตุปัจจัยภายนอกเนื่องเพราะว่าเราขาดการฝึกฝนภายในตัวเรา หากเราไม่ฝึกฝนภายในตัวเราเราก็มีชีวิตตกอยู่ภายใต้ใกระแสของวัตถะที่มันจะพาไปมันจะเป็นอะไรเราก็ไม่รู้แหละอาตมาก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะขณะแห่งจิตเปลี่ยนได้ทุกๆขณะเปลี่ยนไปตามอาการที่เข้ามาผัสสะและกระทบจิตเราไม่เคยคงที่แน่นอนอ่ะจะให้จิตคงที่ก็เป็นไปไม่ได้เพราะต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแต่เราสร้างความคงที่ในใจคือวางใจเป็นการได้ในความหมายของพระเจ้าที่คงทรงสอน อะไรก็ตามที่ ก, กระทบกับเราแล้วทางตาหูจมูกยิ้นกายใจพระเจ้าบอกว่าอย่ายินดีอย่าคัดค้านการไม่ยินดีไม่คัดค้านจิตเราจะตกเป็นกลางความเป็นกลางนี้จะทำให้จิตคงที่ตรงนี้แต่ไม่ใช่ว่าจิตเราจะไม่รับรู้ในสิ่งที่เข้ามาผัสสะจิตเราต้องรับรู้เพราะความเป็นกลางไม่ใช่ความเฉยเมยหรือไม่รับรู้รับทราบอะไรความเป็นกลางคือรับรู้รับทราบทุกอย่างแต่วางใจเป็นกลางในทุกๆเรื่อง ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยพวกมันหากสิ่งเราไปกระโดดหมายสิ่งนั้นผิดสิ่งนั้นถูกอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆ่อยเราก็จะเดินหนีออกจากความขัดแย้งไม่ได้เพราะมันจะมีสิ่งผิดสิ่งถูกอยู่ทุกที่ไอถูกใจเราก็ดีไอไม่ถูกใจเราก็ขัดแย้งย่เีก็ติดอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาจิตเราจะหาความสง บ, บได้ไหมล่ะไม่ได้แต่ถ้าเราวางใจเป็นกลางอยู่ตลอดถูกก็ถูกผิดก็ผิดไปตามเรื่องธรรมธรรมชาติของสิ่งนั้น ฝนจะตกแดดจะออกหรืออะไรจะเป็นอะไรก็ให้เป็นไปตามหลักของมันจิตเราเป็นกลางบางใจเป็นกลางอะไรเป็นก็ให้เป็นไปตามปัจตามที่มันเป็นใจที่เป็นกลางเราจะสามารถรู้เหตุรู้ผลว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแค่ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวถูกก็ชั่วคราวผิดก็ชั่วคร้ายึดถือเป็นกฎเกณฑ์อะไรไม่ได้แต่เรารู้รู้ถูกรู้ผิดอยู่ว่าถูกผิดคืออะไรเราก็รู้ว่าถูกเป็นสิ่งที่ควรเจริญขึ้นผิดเป็นสิ่งที่ควรละ เราก็ทําตัวเราที่นี่ให้เป็นไ ป, น ป, นปนตามความรู้ในถูกในผิดคําว่าวางใจเป็นกลางไม่ใช่ว่าไม่รู้ถูกไม่รู้ผิดรู้เมื่อรู้แล้วอันนี้เป็นลักษณะของปัญญาปัญญาเราจะสามารถสร้างเหตุและผลภายในตัวของเราได้และเมื่อเรามีเหตุผลในตัวเราเราก็จะทราบว่าถูกควรเจริญขึ้นผิดควรละทีนี้ผิดเราไม่ลกสักทีแสดงว่าใจเราถูกชักลากดึงไปสู่ สิ่งที่มเป็นโทษถูกเราสร้างขึ้นแต่เราไม่ยึดติดมันเพราะเรารู้ว่าต้องเจริญขึ้นเรารู้อยู่แล้วว่าถ้ายึดติดไปมันก็จะนํามาซึ่งโทษในภายหลังเพราะฉะนั้นเราก็ทําความถูกไว้ตามเหตุปัจจัยแห่งความเป็นไปของชีวิตว่าทําความถูกแล้วมีประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้ประโยชน์ต่อตัวเราด้วยประโยชน์ต่อคนรอบรอบข้างด้วยเมื่อมีประโยชน์แล้วไม่เกี่ยวใครจะมาดา่าใครจะมาว่าใครจะมาตําหนิใครจะมาทําลาย ก็ความดีเราทําแล้วมันดีในตัวเราแล้วแล้วมันก็สำเร็จผลไปแล้วถ้าเรายึดดีมากเกินไปเอาแล้วมาด่ากูทําไมกูสาทําดีมาขนาดนี้เอาขัดแย้งอีกแล้วทีนี่นิ้วอย่าความขัดแย้งไม่ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีใจเป็นกลางเพื่อจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเราสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุปัจจัยภายนอกที่ไม่ใช่ตัวตนของเราตัวของเรามีอยู่อีกภาวะหนึ่ง ที่ไม่ใช่กายกับใจกายกับใจเป็นอยู่อย่างไรก็ให้เป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อมีอะไรมากระทบกายกระทบใจก็จะไม่กระเทือนเราไม่กระทบเราเพราะเรามีความเป็นอยู่อีกแบบหนึง่งแล้วมีความเป็นอยู่ในภายในที่ประกอบไปด้วยปัญญาสติและปัญญาเ น, นี่ยคือตัวเราหากเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเราจะไม่มีตัวเองเป็น ต, ต, ต, ตัวของตัวเองเราจะถูกกลืนไปด้วยอํนานาจของโลกด้วยอารมณ์ของโลกเมื่อมีสติและปัญญาถูกสร้างขึ้น ตัวเราจะอยู่ในนั้นเมื่อมีตัวเราเราจะพึ่งพาตัวเองได้เราจะมีความแข็งแกร่งภายในตัวเองและเราจะสามารถไถถอนการยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นมูลเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวงปัญหาทั้งหมดก็จะดับได้ปัญหาเหตุให้เกิดปัญหาความดับไปของปัญหาทำปฏิบัติให้ถึงการดับไปของปัญหาแก้ไขด้วยสติและปัญญาที่เราสร้างขึ้นด้วยการอบรมจิตตัวเองตามหลักธรรมในบทกรรมฐานบทแห่งคุณงามความดีทางเดินสายกลาง ที่เราได้สงสอนไว้นม่แหละคือหลักของาศาสนาก็ขอให้ยึดไปสู่การปฏิบัติในตัวเองไม่ได้พอแล้วบ้างคุยธรรมะกันเชาน้านี้มีใครถามอะไรเข้ามาไหมในเพจฮะไม่มีนะไม่มีวันนี้เงียบไม่มี ก่อนๆนี่มีไปอ่านย้อนหลังยมอะไรนะคำถามเก่าๆนะคำถามที่ไลค์ครั้งก่อนะถามอะไรมาจำไม่ได้แล้อ่านลัูไปเดินทางปลอดภัยมีความสุขการเจริญกับประเทศหนุ like ่ดหอยุดไปยอมันมาก นี่มันหลงตัวเองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรได้หรือหลงคนอื่นยังเพราะว่าหลงตัวเองไม่ไหวอาจารย์อาจารย์จแม่ไม่สับดูใจสินาจารไปอาจารย์แมสบเนาะอาจารย์จะสับทไมกชื่องว่าจะมาอยู่รับใช้ก็มีงานต้องท อ่าน ง, งานนะตอมได้เบแล้ว น, นะหมดแล้วเหรออ่าตอบหมดแล้วตอบหมดแล้วก็สมควรแก่เวลาในวันนี้